มันพระองค์เนี่ยสรุปว่าทบทวนย้อนมาว่าพระองค์นี่รู้ทั้งที่เรียกว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความรู้พระองค์รู้ทั้งสังคตะและอะสังคตะอย่าลืมว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นเน้นพระปัญญาที่คุณเนี่ยนะเน้นพระปัญญากุลพระคุณคือปัญญาของพระองค์ผู้มีปัญญาอย่างหาที่สุดไม่ได้ทีนี้พระองค์นั้นเนี่ยนะพูดต่อไปบอกว่าแล้วพระองค์รู้รู้ทั้งสังคตะและอสังคตะ สังคตะเนี่ยแบ่งออกทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันก็เรียกว่าการสามอดีตคือสิ่งที่ล่วงผ่านไปเนี่ยนะผ่านไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะผ่านไปเป็นกับเป็นอสงไขกลับเป็นหลายหอสงไขเป็นอสงไข่อสงไข่ไหลไปขบวนย้อนกลับไปที่เรียกว่าอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครตามรู้ได้อย่างเสร็จสิ้น ไม่มีใครตามรู้อย่างเสร็จสิ้นแต่เชื่อไหมสิ่งที่ตามรู้ไม่มีจบเนี่ยพระพุทธเจ้ามีความรู้เท่ากับสิ่งที่มีความรู้ไม่มีจบเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีความรู้หาที่สุดไม่ได้อนาคตทั้งหลายต่อต่อไปเนี่ยมันไปสุดที่ไหนรู้ไหมว่าอนาคตต่อต่อไปเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าจากวินาทีเดียวเสี้ยววินาทีมาเป็นวินาทีมาเป็นนาทีเป็นชั่วโมง หลายๆายชั่วโมงเป็นวันเป็นเป็นวันเป็นคืนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีเป็นในรอบสิบปีเป็นร้อยปีในรอบร้อยปีเป็นพันปีในรอบพันปีแสนปีในรอบแสนปีหรือว่าเป็นล้านปีหลายๆลาสิบล้านปีเป็นอสงไขยปีตลอดจนถึงเป็นกลับเป็นหลายๆกลับเป็นแสนโกดกับเป็นอสงไขยกลับเป็นสิ่งที่จะมีต่อไปข้างหน้า ที่เราก็ไม่มีที่สุดเนี่ยนะไม่มีที่สุดสิ่งที่จะเป็นไปต่อไปข้างหน้าไม่มีที่สุดเนี่ยนะของเราเนี่ยพูดอย่างนี้เราก็งงแล้วนะไม่รู้คืออะไรก็ไม่ทราบนันนะก็รู้ว่าพรุ่งนี้มีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยวหนนจะไปรู้อะไรที่มันเนิน่อนนานยาวนานอะไรขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์รอบรู้สิ่งที่เป็นอนาคตเหล่านั้นทั้งปวงสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่เป็นสังขารธรรม ที่จะเกิดอ่ะ น, นะพรุ่งนี้ปรือ น, นี้ปีนี้เออปีนี้ตลอดทั้งปีหรือหลายสิบปีร้อยปีพันปีแสนปีสรวาอนาคตทั้งมวลที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีพระองค์รู้ทั้งหมดพระองค์นี่มียานไม่ติดขัดในอนาคตเนีย่ยนะมียานที่ไม่ติดขัดในอนาคตและภาวะที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนะภาวะที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันในโลกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้ ในหมู่สัตว์อันหาที่สุดไม่ได้ในสัพพสัตว์อันหาที่สุดไม่ได้ในภพในภพสามกำเนิดสี่เป็นต้นเนี่ยมีสิ่งใดบ้างในปัจจุบันที่พระองค์ไม่รู้พระพุทธสัพพันธ์อยู่พุทธเจ้าเนี่ยดำรงอยู่ในภาวะผู้มีความรู้ไม่ติดขัดไม่ขัดข้องทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตเนี่ยพระองค์รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่เคยมีมาแล้วเนะ พระพุทธเจ้าเหล่าใดที่เคยมีมาแล้วบวกทั้งว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้มีให้เกิดพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่มีมาแล้วในอดีตพระธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสรู้ในอดีตพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่มีอยู่ในอดีตพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยรู้พระพุทธรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่เคยมีมาแล้วในอดีต และอนาคตต่อไปจะมีพระพุทธเจ้าเหล่าใดบ้างมาตรัสรู้ในอนาคตพระธรรมที่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยตรัสรู้เป็นอย่างไรแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะมีต่อไปในอนาคตสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์เหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์ก็รู้ทั้งหมดแล้วภาวะของสาวกของพระองค์ที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ละท่านแต่ละองค์นั้นเป็นอย่างไร ภาวะที่สาวกของพระองค์แต่ละคนเช่นสาวกของพระองค์ที่เป็นพระโสดาบันสาวกของพระองค์ที่เป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็พระอระหันต์ทั้งหลายและพระโสดาบันของแต่ละองค์เนี่ยนะมาด้วยปฏิปทาเหล่าใดพระโสดาบันบางองค์มาด้วยทุกขาปฏิปทาปฏิบัติลาบาก ตรัสรู้ยากใช่ไหมปฏิบัติลำบากตรัสรู้เร็วใช่ไหมปฏิบัติสบายตรัสรู้ยากใช่ไหมปฏิบัติสบายตรัสรู้เร็วใช่ไหมเนี่ยนะแล้วแต่ละองค์เนี nada, ่ยปฏิบัติด้วยศรัทธาหรือปฏิบัติด้วยวิริยะปฏิบัติด้วยจิตเป็นอธิบดีหรือมีปัญญาเป็นอธิบดีบางองค์เนี่ยเน้นหนักไปทางทุกขานุปัสนาหรือบางองค์หนักไปทางอนิจจานุปัสนาหรือแต่ละท่านหนักไปทางอนัตตานุปัสนา หรือแต่ละท่านเนี่ยเป็นศรัทธาวิมุตต์หรือเป็นปัญญาวิมุตต์เนี่ยนะเป็นพวกศรัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีก็ตรัสรู้ทั้งหมดหรือเป็นพระสกะทาคามีเนี่ยนะสกะทาคามีมีกลุ่มมีกี่กลุ่มมีกี่ประเภทพระอนาคามีมีกี่กลุ่มกี่ประเภทพระอรหันต์มีกี่กลุ่มและกี่ประเภทภาวะความแตกต่างของพระโสดาบันแต่ละองค์ อะไรบ้างที่แตกต่างกันอะไรที่เหมือนกันพระสกาทาคามีทั้งหลายอ ะ, อะไรคือภาวะที่แตกต่างและเหมือนกันพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นต้นก็ในยะเดียวกันพระองค์รอบรู้ทั้งหมดนะพระองค์รอบรู้แม้แต่พระอริยเจ้าคือบุคคลที่ตรัสรู้ธรรมที่ดับโลกผู้ตรัสรู้ธรรมที่พ้นโลกพระองค์ก็ตรัสรู้จํากล่าวไปยายถึงปุถุชนเนี่ย น, นะเพภาวะของพระอริยเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ จะมีกันง่ายๆภาวะของพระเรียเจ้าไม่ใช่สภาวะที่จะรู้ได้โดยง่ายขนาดสภาวะที่รู้ได้โดยยากสงบละเอียดประนีตลึกซึ้งวิสัยของผู้มีปัญญาทั้งหลายเป็นวิสัยที่ลึกซึ้งขนาดวิสัยของผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้ายังตรัสรู้จะกล่าวไปยายถึงวิสัยของปุถุชนทั้งหลายทั่วๆไปพระองค์รู้จริตรู้อธิมุติรู้อัธยาศัยรู้อุปนิสัยของ ปุถุชนทั้งหมดและสอนปุถุชนอย่างไรให้บรรลุมรรคผลพ้องรอบรู้สิ่งเหล่านั้นมันพ้องจึงไม่มีความรู้ไม่ติดขัดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนะไม่เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายพูดถึงอดีตเมื่อวานนี้ก็สายหัวเลยนะบอกเอออะไรนะแบบแค่ บ, บทสวดธรรมดาหลายท่านว่าโอา้ที่สวดไปเมื่อกี้นี่มีอะไรบ้างก็สายหัวเลยนะซึ่งเพิ่งเราเพิ่งผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยนะหรือแบบลานานเข้าล่ะถอยหลังไปล่ะ สายหัวหมดเลยแล้วพรุ่งนี้ต่อไปเนี่ยนะอนาคตต่อตอไปนี่ก็สายหัวปัจจุบันตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างพิเศษเกิดขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกเป็นต้นทรายหัวหมดเลยเรียกว่าดำรงอยู่ในภาวะของผู้ที่มีอวิชชาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ติดขัดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะรู้เลยอย่างยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่เคยมีมาแล้ว ในอดีตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่เคารพธรรมพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่มีที่จักมีต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่เคารพธรรมพระพุทธเจ้าพราะของเราอยู่ในปัจจุบันก็เป็นผู้ที่เคารพธรรมคําว่าเคารพธรรมคือเคารพอะไรเคารพโลกุตระธรรมเก้าพระพุทธเจ้าที่มีมาแล้วในอดีตก็เคารพมรสี 4, ผลสีเลย นิพพานหนึ่งพระพุทธเจ้าที่จกมีต่อไปในอนาคตก็เคารพมัศสีผลสีแล้วก็นิพพานหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันก็คารพมัศสีผลสีแล้วก็พระนิพพานพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่เคารพโลกุตระธรรมบูชาโลกุตระธรรมนี่ย น, นะมันพระองค์รอบรู้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ ปัจจุบันนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะอย่างในในเหตุการณ์ที่เคยมีมาในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นเป็นสังฝ่ายสัตว์ประสาททั้งหลายก็แบ่งเป็นสัตว์ในภพสามสัตว์ในกําเนิดสี่สัตว์ในคติห้าในวิญญาณทิติเจ็ดในสัตว์ตาวาสเก่าทีนี้พูดถึงว่าสัตว์ที่อยู่ในกําเนิดสี่ที่เกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายแล้วก็สัตว์ที่เป็น โอปะ ป, ปะติกะกรเนิดทั้งส so so oui, ี่เกิดในคันในไข่เกิดในเท่าคลายและโอปปาติกะสัตว์เหล่าใดทำกรรมเหล่าใดจึงเกิดในคันเนี่ยนะสัตว์เหล่าใดทำกรรมอย่างไรจึงเกิดในไข่สัตว์เหล่าใดทำกรรมเช่นใดจึงเกิดในเท่าคลายหรือในสิ่งสกปรกทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายที่ทำอย่างไรจึงเกิดเป็นโอปปาติกะ นนะแล้วพบใดเนี่ยนะเช่นนรกเนี่ยเกิดในคันได้ไหมนรกเกิดในใครได้ไหมนรกเนี่ยเกิดในเท่าคลายได้ไหมหรือสัตว์นรกเกิดเป็นโอปปาติกะใช่ไหมและจําแนกกรรมเหล่าใดที่ภาวะที่แตกต่างกันของสรรพสัตว์เหล่านั้นพระ อ, องค์รู้ทั้งหมดเนี่ยนะังั้นพระ อ, องค์มียานที่กําหนดรู้ว่ากำเนิดสี่เป็นอย่างไรถ้าดับการเกิดในคันเนี่ยดับอย่างไร ถ้าดับการเกิดในไข่เนี่ยดับอย่างไรถ้าดับการเกิดที่เป็นโอเท่าใครหรือไม่ต้องเกิดเป็นโอปปาติกะเป็นต้นเนี่ยต้องอาศัยข้อปฏิบัติอย่างไรนไนในกําเนิดสี่นี่ก็แบ่งเป็นคติห้ใช่ไหมนรกเดร ER ชานเปรตอสุรกาเปรตมนุษย์หรือเทวดาคติทั้งห้าเป็นอย่างไรวิธีการที่ไปสู่คติหเป็นอย่างไรก้าล่วงคติทั้ง5้าเนี่ยนะ ข้ามพ้นจากคติทั้งห้าทำอย่างไรภาวะเหล่านั้นพระองค์ก็ตรัสรู้โดยสิ้นเชิงนะตรัสรู้โดยไม่มีส่วนเหลือโดยเฉพาะอย่างอาสาธรรณนัยานทั้ง6ประการนะเพราะพระองค์มีอาสาธรรณะ6ประการพระองค์รู้อะไรมังรู้ะความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเพราะอ น, น, น้เรียกว่าอินเดียปรปยตยาน พระองค์ยังรู้อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์มีอาศยานุสยาญาณพระองค์นี่มีมหากรุณาสมาบัติญาณต่อสัพพสัตว์ทั้งหลายพระองค์มียมะกะปาติหาริยาญาณและพระองค์มีสัพพัญญุตญาณพร้อมทั้งอนนาวรณญาณสัพพัญญุตญาณก็คือญาณที่รู้หาที่สุดนี้ได้อนาวรณญาณแบบเป็นความรู้ที่ไม่มีไม่มีความติดขัดและขัดขอ้องเพราะพระองค์มีอาสาธารณญาณทั้ง6ประการเนี่ยนะ มันพระองค์จึงดำรงอยู่ในภาวะของผู้นำโลกเรียกว่าโลกกนายกเนี่ยนะถ้าไม่มีความสามารถอย่างนี้จะนำโลกไปไหนอ่ะใครจะรู้ว่านำไปสู่นรกนะ น, นะเอาอะไรมารับรองว่านี่ไม่ใช่เป็นการพาไปนรกกันนะแล้วเอาอะไรไปรับรองว่านี่เป็นการพาไปสู่เปรตอสุรกายหรือเดรชานถ้าพราะองค์ไม่มีความสามารถขนาดนั้น พระองค์ก็ปฏิญาณในฐานะผู้เป็นโจกหรือผู้เป็นหัวหน้าเป็นโลกกนายกพาสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะแต่เนื่องจากพระองค์รอบรู้ทั้งหมดเนี่ยพระองค์จึงปฏิญาณในฐานะผู้ที่นำพาสัตว์โลกให้ออกจากวัฏทุกถ้าพระองค์ไม่มีความสามารถเลยเนี่ยนะเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าแม้เดินตามบุคคล น, นี้เนี่ยพ้นทุก์อย่างแน่นอนใช่ไหมเรารู้ได้อย่างไรว่าเดินตามพระพุทธเจ้าแล้ว ทุกข์น่นะมันต้องพยายามศึกษาพระพุทธคุณให้มากๆว่าเราเดินตามบุคคลที่เรียกว่าเดินแล้วไม่ต้องลำบากใจในภายหลังนะเช่นกับพระเรียเจ้าทั้งหลายที่เคยมีในอดีตเนี่ยนะพระเรียเจ้าเหล่านั้นเนี่ยท่านดีใจมากนะที่ท่านได้พบกับพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาปฏิบัติในาศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะ ท่านดีใจกันมากเพราะท่านเหล่านั้นเป็นคนที่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็รู้วนแต่ท่านมีความสุขและก็ดีใจที่ได้พบเห็นพระพุทธศาสนามันของเราทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันว่าเออเนี่ยทำอย่างไรเราจะได้พบเห็นพระพุทธศาสนาในอย่างในชาตินี้เห็นด้วยความรู้ความ เข้าใจถ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ต่อต่อไปก็จะได้พบเห็นอีกเนี่ยนะจะต้องทําอย่างไรจะต้องกําหนดจิตของเราเอาไว้อย่างไรจึงจะไม่พลาดจากศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพบพระศาสนาหรือไม่พบมันอยู่ที่จิตใช่ไหมอยู่ที่จักขูวิญญาณจิตอยู่ที่โสตะวิญญาณจิตจักขูเนี่ยทำให้เห็นก่อนโสตะทำให้ฟังแล้วมโนวิญญาณทําให้คิด มันก็อยู่ที่ใจเนี่ยนะถ้าใจเราไม่ตั้งความปรารถนาที่จะเห็นเราจะได้เห็นไหมไปพบเห็นอาจจะหลับตาเลยก็มีกันได้เพราะไม่ต้องการที่จะพบเห็นเคยนั่งรถผ่านเจดีแล้วหลับไปเลยมีไหมบทเห็นเลยเนี่ยนะเขามีการฟังธรรมแล้วก็หลับไปเลยก็อดฟังอีกนั่นแหละหรือเขามีการเห็นมีการได้ยินแต่คิดเรื่องอื่นด้วยเปื่อยไปเลยเนี่ยนะมันก็ไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การตั้งจิตเพื่อที่จะเห็นตั้งจิตเพื่อที่จะฟังตั้งจิตเพื่อที่จะคิดตามคําสอน ทีนี้จิตเนี่ยมันเป็นผลของการตั้งนะเรานี่อยู่ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะอยู่ด้วยการตั้งใจตั้งเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่รู้ละแต่ว่าอยู่ด้วยความตั้งใจแม้แต่เนี่ยที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลของการตั้งใจชีวิตจนเราจวบมาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นผลของความตั้งใจของเราแต่ทีนี้ปัญหามันตั้งเยอะมากนะตั้งกับเช้าจรดเย็นตั้งกับตื่นมาก็ตั้งใจแล้วล่ะ ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้เพื่อจะโกรธมั่งตั้งไว้เพื่อจะโลภมั่งตั้งไว้เพื่อจะหลงมั่งตั้งไว้เพื่อจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามั่งตั้งดีมั่งตั้งชั่วมั่งก็อยู่บนพื้นฐานว่าความคิดทุกดวงที่เกิดขึ้นน่ะมันตั้งมันตั้งโดยธรรมชาติเพราะมันมีเอกคตตาทุกดวงเนี่ยะจิตมันมีเอกขตตามันตั้งทุกดวงแล้วแหละทีนี้มันตั้งเพื่อดีหรือตั้งเพื่อชั่วล่ะตั้งเป็นอัตตะสัมมาปณิทิหรือ มิจฉาปฏิทิตั้งเพื่อนรกเปรตอสุรกายหรือเดรัจฉานมนุษย์หรือเทวดามันตั้งเพื่อเจริญกุศลหรือตั้งเพื่อเจริญอกุศลทุกความคิดเราเป็นการตั้งทั้งหมดทีนี้เอเราจะตั้งยังไงให้เนี่ยมีตาก็ได้เห็นพระพุทธได้เห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าได้เห็นที่เรียกว่าอนุตตริยะทั้งหลายมีหูก็ทําให้ได้ฟังในสิ่งที่เป็นอนุตตริยะทั้งหลายมีใจก็ขอให้เจริญด้วย คุณทั้งหลายเนี่ยนะเจริญด้วยคุณมีศรัทธาหิริโอตตะศีล ส, สุตะจากข้าปัญญาเนี่ยนะทำยังไงให้ใจเนี่ยเป็นใจที่ดํารงอยู่ด้วยอรรยะคุณหรืออย่างที่เราสวดสันเลขธรรมทํายังไงใจของเราจะตั้งมั่นอยู่ในสันเลกธรรมเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราไม่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะไม่สมาทานอธิษฐานเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยถึงเราฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเป็นธรรมที่ขัดกล่าวเรารู้จะเอาหรือเปล่า ถ้าเราไม่ตั้งใจเอาไว้ตั้งตั้งก่แรกๆให้ดีๆเลยเนี่ยนะสติปัฏฐานเราไม่รู้จะเจริญหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเอาหรือเปล่าเพราะกายานุปัสนาตั้งไว้โดความเป็นอสุภสติปัฏฐานแปล ว, ว่าสติที่ตั้งมั่นตั้งในกายโดยความเป็นอสุภตั้งเวทนาว่าเป็นทุกตั้งในจิตว่าไม่เที่ยงตั้งในธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะ ซึ่งมันแหมเรามันคิดว่าเอ้มันน่าจะเที่ยงมันน่าจะสุกมันน่าจะงามน่าจะเป็นอัตตาเราโดยมากมันตั้งไว้อย่างนั้นมันก็ต้องอยู่ที่การตั้งอัตตาสัมมาปณิทิว่าจิตของเราจะให้ดำรงอยู่ในภาวะอะไรถ้าเราจะมีสติสติของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสติตามคําสอนเป็นอย่างไรถ้าเราจะมีความเพียรเพียรอย่างไรจึงไปการเพียรตามคําสอนที่เรียกว่าสมัมมาปทานเนี่ยนะเพียรอย่างไรเนี่ยนะที่ที่เป็นความเพียร ที่เป็นไปเพื่อความพน้นทุกข์แล้วเนี่ยใจใหญ่เนี่ยบอกว่าคนใจใหญ่เนี่ยใจอธิบดีคนใจใหญ่เนี่ยใจที่ใหญ่เรียกว่าคิดใหญ่เนี่ยอะไรมานน่าคิดมั่ง